รกราบบูชาปรตนะไตรขอกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบกรวะพระจัจารย์ทรงสิน์พระเทรานุเทระเพื่อนสาธรร ม, มิกขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกุบาศิ ก, กาทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่25ธันวาคมพุทธศักราช2555ถ้าดูตามปฏิทินสากลวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของชาวคริสต์นะก็คือวันครนะิสต์มาสเป็นวันที่ระลึกถึงการเกิดขึ้นนะของพระเยซูนะที่ได้สอน ธรรมะให้กับชาวโลกนะทำให้ชาวโลกโดยทั่วไปนะก็มีความรักนะเป็นศาสนาแห่งความรักนะในส่วนของศาสนาพุทธเรานะก็เป็นศาสนาที่ให้เรารู้จักความรักความเมตตาเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่พอจะเห็นได้นะว่า ศา ส, สดาทุกพระองค์เนี่ยนะก็มุ่งหมายนะที่จะให้มนุษย์เรานะเอาชนะสัญชาตยานนะของการที่จ่ารัดเอาเปรียบกันหนะรือว่าเข็นฆ่ากันเบียดเบียนกันนะนี่ก็เป็นส่วนที่เราจเจนไดนะ้ในการเผยแผนะ่คำสอนหนะรือว่า สิ่งที่ศาสดาทั้งหลายนะได้ประสบพบเห็นแล้วก็ได้นำมาถ่ายทอดนะจนถึงรุ่นของพวกเราในส่วนของครูบาอาจารยนะ์ในรุ่นต่อๆมานะก็ได้รับเอาคำพูดคำสอนนะเหล่านี้นมาประพฤติปฏิบัตนะิแล้วก็มาถ่ายทอดนะให้จนถึงพวกเรา สิ่งหนึ่งที่กระผมเนธมานะได้สัมผัสกับหลวงพ่อเทียนนะสําคัญที่สุดก็คือท่านมักพูดอยู่เสมอนะว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะท่านมักจะพูดถึงกาลามาสูตรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะของพุทธศาสนานะอย่าเชื่อนะเพราะฟังตามๆกันมาหรือว่าเล่าลือกันมา นะ่หรือว่าผู้พูดนะพูดแล้วมีเหตุมีผลนะ่าหน้าเชื่อนะแต่สิ่งที่เราจะเชื่อได้นะก็คือการที่เราลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เขาพูดนะแล้วก็ในสิ่งที่เขาได้เผยแพร่อ อ, อกไปและมันเกิดผลอย่างนั้นจริงจริงนะซึ่งตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้ เหมือนในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะมีการพูดกันมีการเผยแพร่ข่าวสารว่าจะเกิดภัยพิบัติต่างๆนะจะทำให้โลกแตกนะหลายคนก็วิตกกังวลนะคือวันที่ 21-22 ที่ผ่านมาวันในวันที่25แล้วนะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่า สิ่งที่คนพูดกันมาคนที่เผยแพร่กันมานะอันนี้เราก็จะต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองนะแล้วก็พิสูจน์นะในส่วนที่สามารถพิสูจน์ได้นะของบางอย่างเนี่ยก็พิสูจน์ยากนะอย่างเช่นกรณีเรื่องของเทวดาก็ดีเรื่องของผีก็ดีนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ พิสูจน์ยากนะซึ่งในคำพีในพระไตรปิฎกเองนะก็พูดไว้บ้างนะแต่ว่าพุทธองค์ก็ไม่ได้จะไปเน้นนะให้เราไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากนะจริงๆเรื่องพวกนี้มีการพูดกันมานะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าด้วยนะซึ่งเป็นเรื่องของ ศา ส, สนาพราหมณ์ที่เชื่อกันแล้วก็พูดต่อๆกันมาศาสนาพราหมณ์นั้ น, นเป็นศาสนาที่เชื่อการพึ่งพาอ้อนวอนสิ่งที่อยู่นอกตัวโดยเฉพาะเท พ, พเจ้าทั้งหลายซึ่งตรงนี้ก็ว่าไปมันก็เป็นยุคยุนึ่งของการที่มนุษย์เราไม่รู้ว่าจะพึ่งอะไรดีะจะพึ่ง ภูเขาพึ่งต้นไม้พึ่งแม่น้ำนะหรือจะพึ่งสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมานะจะมีจริงหรือไม่มีจริงนั้นนะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากนะคนบางคนก็บอกว่ามีเพราะเขาสัมผัสก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาส่วนเราสัมผัสแล้วหรือยังพิสูจน์แล้วหรือยังหรือจําเป็นจะต้องไปพิสูจน์ไหมนะนี่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาใจ ต, ตองเหมือนกันแต่ตามหลัก พุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะให้เราพึ่งตัวเองที่ว่าอัตติอัตโนนาโถนะพุทธศาสนาไม่ได้ให้เราไปพึ่งเทพเทวดาพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะท่านมีสิ่งหนึ่งที่อาตมาหรือว่าผมได้ยินได้ฟังก็คือท่านพยายามที่จะให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองนะไม่ต้องไปพึ่งพิง สิ่งภายนอกมากนะอย่างมีครั้งหนึ่งนะคนเอาเครื่องรางของขังนะมาให้ท่านดูว่าอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นของขังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ท่านก็บอกว่าก็าาจะให้ทำน้ามนตนะ์ท่านก็บอกเอาไปเอากลัมมังมาเอาน้ำใส่ให้เต็มกลัมังเลยนะแล้วก็เอาพระเครื่องเนี่ยใส่กลัมังที่มีน้ำนั้นไว้ นะเสร็จแล้วท่านก็พูดคุยกับคนคนนั้นต่อไปนะคุยกันไปคุยกันมาสักชั่วโมงหนึ่งท่านก็ทำท่าทีตกใจแล้วบอกโอ้ตายละพระจมน้ำแล้วอ่นะก็คือโอ้ทำไงดีอ่ะพระจมน้ำแล้วนะตรงนี้ก็คือท่านเจตนาที่อยากจะสอนนะให้คนได้รู้ว่าเครื่องรางของขังนั้นหรือของศักดิ์สิทธิ์นันะ้นอะ่นะมันก็เป็นวัตถุภายนอกนะนะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา นะสิ่งที่จะช่วยเราได้จริงๆเนี่ยก็คือสติปัญญาของเราซึ่งสติปัญญาของเราเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะเพียงแต่เรามาฝึกฝนอบรมนะให้มันใช้การได้ให้มันฉับไวให้มันรู้เท่ารู้ทันนะกับอารมณ์กับความรู้สึกความนึกคิดนะซึ่งเป็นต้นเหตุนะของความทุกข์ที่แท้จริงอย่างที่เราสาธยายมุ่นไปเมื่อสักครู่นี้ นะที่บอกว่าที่พื่งที่แท้จริงนั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็การเห็นอริยสัจสี่ซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นพระรธาาะนะระรตนยในตัวเรานนั่นเองนะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญายของเรานั่นเองนะซึ่งคำคำนี้ กับผมเรื่อ ง, งมาก็ได้ยินจากหลวงพ่อเทียนนะท่านบอกว่าพระพุทธที่แท้จริงก็คือสติปัญญาของเรานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมนะก็คือความจริงนะที่ปรากฏที่แสดงไม่ว่าจะเป็นความจริงทางกายไม่ว่าจะเป็นความจริงทางใจเป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่แสดงหรือปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้ใช้สติปัญญาของเราเข้าไปดูมันนะเรามัวไปแสวงหาสิ่งภายนอกนะหรือสิ่งต่างๆที่จะมาดนบันดาลหรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไม่จริงนะเป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมานะส่วนพระสงฆนะ์ก็คือการที่เรามาเจริญสตินะมาทำความรู้สึกตัวนี้เองนะ ถ้าเราทําถูกต้องตรงนะเราก็จะเข้าใจนะถึงอริยสัจ4นะีก็คือเห็นทุกขนะ์เห็นเหตุให้เกิดทุกขนะ์การก้าว่วงทุกข์ไดนะ้แล้วก็อริยมรรคยง8ปนะซึ่งตรงนีนะ้จะเป็นที่พื่งที่แท้จริงที่พื่งที่แท้จริงข้างนอกนะเป็นสิ่งที่ เราพึ่งไม่ได้นะพึ่งจะพึ่งได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นครั้งคราวนะซึ่งปัจจุบันนีนะ้คนในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะพึ่งเรื่องพวกนี้นะพึ่งผู้วิเศษนะพึ่งคนที่มีอภินิหารมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามที่เราเชื่อนะ ต, ตามที่เขาโฆษณานะหรือตามที่เขาบอกว่าเขาจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะซึ่งเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่เนะี่ย นะก็เป็นเรื่องของการที่ยกอ้างขึ้นมานะเพื่อแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะเรียกว่าเป็นการเรียกศรัทธานะจากญาติโยมนะหรือบางทนะีก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ใช่นะสาหรับตัวเองนะซึ่งตรงนี้การที่เราได้ยินได้ฟัง นะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฟังรับฟังเอาไวา้นะแล้วก็ใช้สติปัญญาในการพิจารณาอย่าไปเชื่อทันทีนะหรืออยากทำให้เกิดความไขว้ควเวนะเป็นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเท่าที่กระผมเรือธรรมานะได้อ่านจากหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณประยุทธ์นะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องปาฏิหารณ์นะเรื่อง พินาหารต่างๆเอาไว้นะซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็มีปรากฏในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พุทธองค์สันเสริญมากๆกนะก็คือปฏิหารที่ เ, เกิดจากการที่เราปฏิบัตินะแล้วเราสามารถหลุดพ้ น, นจากกิเลสตัณหนาอุปท า, านได้อันนั้นเป็นปฏิหารสูงสุดที่พุทธองค์ทรงสันเสริญ พระองค์ไม่ทรง ส, สันเสริญเลยนะถ้าเราสามารถมีอิทธิพลปฏิหารเหาะเหินเดินอากาศอูทิปตาทิปนะหรือว่ารู้ใจคนอื่นได้นะมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปเขามองไม่เห็นนะอันนั้นเป็นปาฏิหารที่พระเองค์ไม่ได้สัสนเสริญนะแล้วก็เป็นข้อห้ามนะเออเป็นเป็นข้อห้ามอันหนึ่งสําหรับภิกษุนะที่จะไปแสดงให้กับ คนทั่วไปหรือคนที่ไม่รู้นะถึงกับปรับอาบัตได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้นะก็เอ่อในส่วนของนะผู้ที่เป็นภิกษุก็ต้องระมัดระวังนะในการที่จะไปพูดไปคุยหรือไปบอกนะโดยเฉพาะเอ่อคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคนที่ไม่เอ่อเคยได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเนี่ยบางทีฟังไปแล้วนะาให้เกิดความเชื่อ นะทําให้เกิดความคิดทําให้จุดมุ่งหมายเนี่ยนะก็ผิดไปนะไม่ได้มาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะของการที่เรามาเรียนรู้นะอพระธรรมนะหรือว่าธรรมวินยัยนะอันนั้นเป็นเรื่องนอกตัวไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะทั้งใน ส่วนที่เป็นหลักฐานทางคำภีรทางหนังสือนะแต่อย่างไรก็ตามนะหนังสือก็ดีตํำรับตาลาก็ดีเป็นเพียงแผนทีนะ่เป็นหลักฐานที่อ้างอิงไว้แต่ความศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้พิสูจนะ์ได้ประพฤติธปฏิบัตนะิแล้วก็เป้าหมายของการศึกษาพระธรรมวินัยนะจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อความรุดพ้นนะจากากิเลสตนาอุปทานต่างๆนะและก็ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อที่ให้เป็นผู้วิเศษนะให้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการเหาะเอินเดินอากาศไดนะ้หรือมีหูทิพตาทิพนะซึ่งอันนั้นเนี่ยเ ป, เป็นเพียงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะกับคนที่ฝึกจิตนะ ในในลักษณะหนึ่งะซึ่งน้อยคนมากนะที่จะมีอย่างนั้นอันนี้ตามที่คำภีร์ได้อ้างอิงเอาไว้ในส่วนของตัวกระผมนิธมานั้ น, นได้เรียนรู้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นหลวงพ่อเทียนนั้นก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องพวกนี้แตท่านสนท่านพยายามคําพูดของท่านทุกครั้งเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยได้ฝึกนะมารู้สึกตัวนะ มารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆการมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะเรียนรู้ความทุกข์นะที่เกิดขึ้นนะกับกายกับใจของเราแล้วก็เรียนรู้นะสาเหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไรนะเราจะแก้ไข ย, ยังไงนะซึ่งตรงนี้นะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะของการศึกษาเพราะนั้นคนที่ ได้มีโอกาสมาบวชก็ดนะีมาอยู่วัดก็ดนะีโดยเฉพาะที่วัดป่าสุกโตนะที่เรากเ็เป็นสถาบันสติปัฏฐานเนี่ยนะเราก็ควรจะเด้นรู้เรื่องพวกนี้นะ เ, เคยได้คุยกับเพื่อนๆ อ, อยู่เหมือนกันว่าป่าสุกโตเนี่ยเปิดอิสระมากนะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะทางด้านจิตวิญญาณนะก็จะมี คนที่มาจากในที่ต่างๆนะก็มีความคิดความเชื่อนะต่างๆกันนะเข้ามาและบางทนะีก็มาเผยแพร่ในความเชื่อของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่วัดก็ดีคนที่บวชก็ดีก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องออยึดไวนะ้หรือเป็นหลักไว้ นะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไปสอดคล้องกับคำพูดของพุทธองค์ก็คือทางสายเอกนะที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นก็คือสติปัฏฐานสี่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราจะต้องอ่เป็นเป็นหลักยึดไว้ถ้ามีเรื่องอะไรที่ควยเขวไปจากนี้นะหรือว่าพูดเพี้ยนไปจากนี้เนี่ยนะก็ให้เข้าใจเถิดว่าเป็นสิ่งที่ เดินออกนอกทางนะและจะทำให้เกิดการเนื่นช้านะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะการที่มาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเพราะว่าเราเราไม่ได้จริงๆเราก็ไม่ได้ห้ามนะเราไม่ได้คัดกรองผู้ที่เข้ามานะบางคนก็มาเผยแพร่ลทัทธิความเชื่อความคิดของตัวเองนะซึ่งบางทีก็ไม่ได้ตรงนะกับหลักสติปัฏฐานเท่าไหร่ นนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือบางทีก็อาจจะเกิดการไข้เขว้ขึ้นมาตามหลักสติปัฏฐาน4นั้ น, นถือว่าเป็นหลักสาคัญที่จะใช้นในการที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตเริ่มต้นจากการที่เรามาทำความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหว นะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนนะท่านก็ได้พยายามเปรี่ยปรับวิธีการให้เหมาะสมนะกับคนในยุคปัจจุบันนะโดยคิดนะประดิษฐ์ท่านะของการเคลื่อนไหว14จังหวะนะที่ไม่ต้องมีคำรรบริกรรมไม่ต้องนั่งหลับตานะไม่ต้องเอาความสงบ นะความสงบที่ว่านี้คือความสงบแบบนิ่งแล้ไม่รู้แต่เป็นความสงบที่รู้ตัวนะก็คือลืมตาเพราะว่าชีวิตประจําวันของเรานั้นเราไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเราจะต้องเคลื่อนไหวนะการเดินจงกรมก็ไม่ต้องเดินช้าๆไม่ต้องย่างค่อยๆ ย, ย่องนะไม่ต้องมีคําบริกรรมลงไปเพราะชีวิตประจําวันของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่เหมือ น, นกับการาฝึกแบบอื่นๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมานซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนั่งหลับตาให้ส ง, งบเมื่อส ง, งบแล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เท่าที่ได้สังเกตก็คือจากตัวเองด้วยจากคนที่ไปปฏิบัติด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเมืม่อไปฝึกแบบสงบนะก็คือนั่งหลับตาเนี่ยนะก็มักจะสงบแล้วก็หลับไปเลยนะก็คือกำลังของสติเนี่ยไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นจะมาพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาไม่ได้สักทีหนึ่ง เพราะมันจะหลับไปก่อนนะเพราะกําลังสติเราไม่พอนะหรือบางคนทําไปทําไปก็ติดสงบอีกงาติดสงบก็คือนิ่งมีความสุขเย็นสบายนะก็ไปติดอยู่แค่ตรงนั้นนะไม่เดินต่อนะไม่ทําต่อเพราะกําลังของสติไม่พอนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นตปนปัญหาที่เกิดขึ้นนะทําให้การเดินทางนะไปสู่ความจริงเนี่ย มันก็เนิ่นช้านะไปติดอยู่ในเความสงบนหะรือบางคนนั่งไปนะก็เห็นอะไรแปลกๆนะโอ้โหบางคนบอกเห็นไปในะโกไปสวรรค์เห็นเทวาดานะเห็นสีเห็นแสงนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็เคยพูดไวนะ้ว่าให้ระวังนะอันนี้มันเป็นมายาของจิตนะที่มันจะจินตนาการมันจะสร้างขึ้นมาได้นะ แต่นี้คงไม่ปฏิเสธหลักสำหรับคนบางคนที่อาจจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตมันเป็นเรื่องของมายาจิตนะที่มันสร้างจินตนาการขึ้นมานะเคยได้ยินเหมือนกันนะว่ามีบางคนไปฝึกกับนะครูบาอาจารย์บางท่านนะให้นั่งหลับตาและท่านก็บอกนะว่า ไปอย่างนี้นะเดินไปอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นาโลกสวรรค์มันเป็นอย่างนี้นาจินตนาการไปตามคําพูดของครูบาอาจารย์นาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการกล่อมนากล่อมจิตของเรานาด้วยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยในครูบาอาจารย์นาก็จะจินตนาการไปตามภาพที่ครูบาอาจารย์ได้พูดนั้นนาซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งพิเศษเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็ น, นแล้วก็มีความเชื่อเป็นตุกเป็นตะว่าเป็นจริงเป็นจังแต่พอมาเราลืมตาขึ้นมาเราก็ไม่เห็นแล้วเราก็กลับมาในโลกปัจจุบั น, นซึ่งตรงนี้การฝึกจิตเนี่ย เคยได้ยินอาจารย์โกวิทพูดไว้ชัดเจนอาจารย์โกวิทนี่ก็เป็นลึกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าคนที่ฝึกสมาธิแล้วสติไม่เข้มแข็งเนี่ยอันตรายอันตรายที่ว่ามันจะมีการสร้างจินตนาการขึ้นม า, นาเพราะนั้นคนที่ฝึกจิตแล้วไม่ได้ฝึกสติให้ดีความรู้สึกตัวไม่ชัดเนี่ยาบางทีก็จะเพี้ยนไปเลยซึ่งเราเจนได้ได้ได้ได้เป็นบางคน นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะนี่นี่คือเป็นสิ่งที่ตัวกระผมนิธมาได้ประสบพบมานะแต่ก่อนได้เคยไปฝึกแบบลมหายใจนะก็ได้ความสงบนะได้ความนิ่งได้ความเย็นแต่มันก็สงบอยู่ขณะที่เรานั่งหลับตานั่นแหละนะพอลืมตามาความสงบ ความอิ่ม อ, อกอิ่มใจมันยังพอจะมีอยู่บ้างเราอเลี้ยงอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อเราไปทำการทำงานนะเมื่อมีสิ่งที่เอ่อไม่ถูกใจเข้ามานะก็ทำให้เราเกิดความไม่พอใจได้หรือเกิดมีอะไรที่เราพอใจขึ้นมาเราก็มีความสุขขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ทำให้เห็นว่าเรายังไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้จริงๆ เรายังไปติดกับอารมณ์ต่างๆนะแล้วคนที่ฝึกแบบนั่งสงบนิ่งๆเนี่ยนะ่าจะเป็นคนที่สุดท้ายเนี่ยนะ่าจะเป็นคนที่ไม่อยากพบผู้พบคนนะอยากจะอยู่เงียบๆไม่อยากจะพูดจะคุยนะการงานก็ไม่อยากจะทำนาะก็จะกลายเป็นคนเก็บคร้านไปนะแล้วก็เข้าสังคมไม่ได้นะซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายนะของการที่เรา มาฝึกจิตหรือฝึกกรรมฐานเพราะการฝึกจิตฝึกกรรมฐานเนี่ยนะจะต้องทำให้เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทุกเหตุการณ์โดยที่จิตใจเรายังเป็นปกติอยู่นะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากกว่ามากกว่าเราจะไปนั่งนิ่งๆหลับตาไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นนะซึ่งตรงนั้นเนี่ย จริงๆถ้าเราไปศึกษาพุทธประวัติก็จะทราบดีว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปเรียนรู้มาจากอาลาล า, ลาบทอุทกดาบทนะซึ่งสุดท้ายทั้งก็ยังไม่พึงพอใจกับความสงบแบบนี้นะแต่เมื่อท่านได้ไปบำเพ็ญเพียรจิตนะก็คือดูเข้าไปนะในกายในใจของตัวเองเร้เห็นที่เกิดของทุกนะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทัน นะความคิดของเราโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งนี้เองเนะเห็นต้นเหตุมันเมื่อเราเห็นแล้วเรารู้จักมันแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหลอกลวงเราได้นะตรงนี้เราก็จะหลุดพ้นหนะรือว่ า, อาไม่เข้าไปอยู่ในความคิดปรุงแต่งนั้นนะตรงนี้ก็ทำท่านทาให้จิตใจของท่านเป็นอิสระนะเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งนะซึ่งตรงนี้นี่แหละนะเป็น ความสุขนะเป็นความสงบที่แท้จริงเป็นความสงบที่รู้ตัวไม่ใช่ความสงบที่ไม่รู้ตัวนะซึ่งตรงนีนะ้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็ทําได้ทุกคนไม่เหมือนกับการที่ออบอกว่าใบมองเห็นผีมองเห็นเทวดามองเห็นเจ้ากรรมนายเวรนะซึ่ง อ, นนอันนั้นเป็นเรื่องของคนคนนั้นเขาพูดนะก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าถามว่าตัวเราล่ะนะเราเห็นหรื อ, อยังหรือจาเป็นจะต้องเห็นไหมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณ า, นานดูแล้วเนี่ยในส่วนตัวกับผมเื้อธรมาเองก็ไม่จาเป็นนะนะเราก็มีความเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วนะเราสามารถที่จะปลดเปื่องความทุกข์นะที่มีในใจออกไปได้บ้างแม้ว่าตอนนี้จะอาจจะยังไม่ถึงที่สุดนะแต่มันก็ เห็นความเบาสบายนะของจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้เราพิสูจน์ไดนะ้เราสามารถที่จะทําได้จริงๆนะและทุกคนทาได้ด้วยเป็นสากลไม่ได้เป็นเฉพาะบางคนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท เ, เ, เได้จากการประพฤติปฏิบัตนะิได้จากการได้ยินครูบาอาจารย์พึ่งพูดแล้วเราก็มาประพฤติ ปฏิบัติแล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านพูดนะอย่างที่ท่านได้สอนนะเราก็มาปฏิบัตินะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการที่ได้มีโอกาสนะได้ใช้ชีวิตได้ไปมอบตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเทียนนเมื่อปี2525 25นะตอนนั้นก็ไปบวชได้หนึ่งพรรษาตอนนั้นทํางานแล้วนะก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดท่าน อาศัยสของหลวงพ่อเทียนนั้นท่านเป็นเป็นเป็นพระที่ดูเป็นธรมธรมดาธรรมดานะท่านไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์อะไรนะท่านเป็นผู้มีเมตานะแล้วก็ใครที่ตั้งใจในการฝึกปฏิบัติเนี่ยท่านก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยนะแล้วก็สอบถามนะมีอะไรที่ติดขัดท่านก็จะแนะนะ ในช่วงแรกที่กระผมนิธมาได้ไปเรียนรู้กับหลวงพระเทียนนั้นก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวกระผมนิธมาเองอยังยังใหม่กับเรื่องพวกนี้ภาษาที่พูดบางทีเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะสมัยนั้นเนี่ยเราก็ฟังผิดไปนะท่านบอกว่าเราเป็นปัญญาชนแล้วเราจบระดับปริญญาตรีแล้วนะเวลาจะฝึกเนี่ยก็ให้ดูความคิดเลยนะสิ่งตรงนี้เนี่ย กับผมเนี่อต่ำมาก็ไปดูความคิดไปดูจิตนะซึ่งก็ทําให้เราหลงจมไปอยู่ในความคิดแล้วก็ไปดูจิตนะได้หลวงพ่อคําเขียนนี่แหละนะท่านไปมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปช่วยหลวงพ่อเทียนนะสอนกรรมฐานที่วัดสนามในนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนถามท่านนะว่าทำไมผมดูความคิดดูจิตแล้วทําไมมันมึนหัวทําไมมัน มันตื้อๆนะท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะอย่าพิ่งไปดูความคิดอย่าเพิ่งไปดูจิตใหม่ๆเนี่ยให้เรามารู้สึกตัวนะกับกายที่เคลื่อนไหวก่อนนะความคิดอย่าพิ่งไปสนใจมันมันคิดแล้วก็แล้วไปอย่าไปตามมันอย่าไปดูมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงนะมันไปจบที่ไหนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวกระผมเนธมาตอนแรกๆก็ไม่รู้นะคิดว่า เราตามดูความคิดไปมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปอย่างไรคิดว่ามันจะเป็นการดูไตรลักษณ์นะฮะที่ไหนได้มันเป็นเรื่องที่เราไปหลงหลงไปในความคิดเนะี่ก็เกิดอารมณ์ต่างๆพอเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยโดยไม่ใส่ใจไม่สนใจความคิดเนี่ยนะโอ้หัวมันโล่งเลยนะมันสบายขึ้นมันเบาตัวขึ้น แล้วก็ดูความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวได้บ่อยๆเนะมื่อเราดูที่กายเคลื่อนไหวได้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นหลักเป็นฐานนะที่ให้เรามีความมั่นใจในการที่จะเข้าไปดูอารมณ์เข้าไปดูความนึกความคิดนะแล้วมันก็จะปล่อยวางหรือว่าสลัดความคิดออกได้ง่ายนะเรียกว่ามันมีพลังแห่งความรู้สึกตัวนะที่จะปล่อยวางได้ง่ายนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญ พนันเห็นได้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะเริ่มด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการมีความรู้สึกตัวที่กายก่อ น, นเมื่อมีความรู้สึกตัวที่กายชัดเราจะต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะไปเห็นเบธนานาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจนะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ มันเป็นธรรมชาติที่มันปรากฏเพียงแต่ว่าสติหรือความรู้สึกตัวของเราอาจจะยังไม่คมชัดพอยังไม่สามารถจะต่อรองหรือว่าถ่วงดุลมันได้เพราะนั้นเราก็จะจมก็ไปอยู่ในสุขในทุกจมก็ไปอยู่ในความพอใจไม่พอใจน่นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าความรู้สึกตัวของเราไม่ชัดนั่นเองอาจเปเนื่องจากเราย่อหย่อนเกินไปเ ร, ไไ เ, เราไม่ได้ทุ่มเทเราไม่ได้ทาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง นะเมื่อความรู้สึกออพอใจไม่พอใจเราเห็นชัดเราปล่อยวางได้เรามาเป็นผู้ดูเราไม่ได้เข้าไปเป็นนะมันก็จะไปเห็นความคิดนะซึ่งความคิดนี้ไวมากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างจินตนาการได้มากมายนะคนที่นึกฝันเป็นจินตนาการส่วนใหญ่เพราะไม่รู้เท่าทันความคิดนั่นเองนะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อ เราทำความเพียรนะมีความรู้สึกตัวที่กายชัดเจนนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยความคิดมันฉลอกเราไม่ได้ละนะความคิดที่มันเคยหลอกให้เราดีใจเสียใจให้เราไปอยู่ในสภาพภาวะต่างๆนะเราก็จะรู้เท่าทันนะมันก็จะถอนตัวออกมาจากความคิดนะเป็นผู้ดูความคิดนะแล้วก็ ไม่เข้าไปจมในความคิดจินตนาการต่างๆที่เคยเคยความคิดปรุงแต่งมันสร้างเนี่ยมันก็จะหายไปนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความคิดนะมันก็มีความคิดเหมือนกันเช่นเราทำการทำงานนะเราคิดทำนู่นทานี่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันะนั้นก็มีความคิดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการจัดระเบียบความคิดนะเราจะคิดก็ได้เราไม่คิดก็ได้นะแต่ก่อนเนี้ย เมื่อเรายังไม่ได้ฝึกดีเนี่ยนะคิดไปสเปสสปะไปหมดนะบางคนฝันต่างๆนานาโดยเฉพาะอยู่ที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยมันเงียบสงบนะแล้วก็มืดในความมืดและในความเงียบเนี่ยคนที่ไม่คุ้นเคยกับการอยู่ป่าเนี่ยจะจินตนาการแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ง่ายเช่นบางทีเมื่อกล้งแรกที่จะมาใมาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยนะอยู่กุฏิคนเดียวเงียบ นะตอนกลางคืนนะได้ยินเสียงแกล้งแกล้งแกลเอ๊ะมันอะไรอยู่บนหลังคาผีมาหรือเปล่าแล้วก็จินตนาการให้ผีมาหรือเปล่านะ่ะเราก็เปิดประตูไปเราไม่กลัวเรากล้าพอเราก็ฉายไฟไปดูเอา้ากิ่งไม้มันสีกับหลังคานะแล้วเราก็ไปจินตนาการว่าเป็นนั้นเป็นนี่อยู่ที่นี่มันเงียบมากๆเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะดังมันก็จะชัดนะมีบางคนเห็นบอกว่า ยินมีคนเดินรอบกุฏิทั้งคืนเลยสงสัยผีหรือเปล่าก็ไม่กล้าออกไปจริงๆบางทีก็ไม่แ่อะไรอาจจะเป็นสัตว์นะเป็นหนูเป็นสัตว์ป่าที่ก็ออกหากินนะอยู่ที่นี่ไม่เคยเจอผีสักทีนะเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะผีที่แท้จริงก็คือไอ้จิตที่มาหลอกตัวเราเองนั่นแหละไอ้ดูตรงนี้เถอะนะอันนี้ผีหลอกผีจริงเลยนะแสดงตัวออกมา เพราะนั้นการมาอยู่ป่าเนี่ยนะก็มีข้อดีเหมือนกันนะทำให้เรารู้จิตที่หลอกหลอนตัวเราเองความคิดที่หลอกหลอนตัวเราเองนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความจริงที่เราจะต้องดูให้ทันนะซึ่งความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนี่แหละจะทำให้เราเห็นความจริงนะความคิดมันจะหลอกเราไม่ได้นะแลวเราก็จะใช้ความคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นมานะสิ่งที่มันเป็นจินตนาการเป็นสิ่งนอกเหนือจากาที่เป็นจริงนะมันก็จะรู้ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็อยากให้เราได้พยายามนะมาอยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะพยายามฝึกนะเรื่องความรู้สึกตัวให้ชัดเรื่องนี้เป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะเป็นลักษณะเฉพาะของที่วัดป่าสุกโตถ้าเรามาบวชก็ดีมาอยู่ก็ดีแต่เราไม่ได้ทําเรื่องนี้น่าเสียดาย น, าน่าเสียดายที่เวลาเนี่ยมันผ่านไปมันกืนกินชีวิตของเราไปตลอดเวลานะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้เนี่ย เราก็ยังอยู่ใต้อำนาจของความคิดจินตนาการอยู่เราไม่ได้เจอกับความจริงที่เป็นความจริงที่แท้จริงซึ่งความจริงที่แท้จริงนั้นก็ไม่ใช่อะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันความเจ็บความปวดความเบื่อความง่วงเหงาเหานอนความปิติความเบาอกเบาใจสิ่งต่างตเหล่านี้มันจะ ปรากฏให้เราเห็นนะผันเป่ยผันแปรไปไอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงเนี้ยนํามาดูตรงนี้มาเรียนรู้พวกนี้นะอย่าไปจินตนาการจะไปเรียนรู้เรื่องเทพเรื่องเทวาดาเรื่องผีสางนางไม้นะนั้นเป็นเรื่องนอกตัวไปละวนะไปเรื่องจินตนาการไปละใครมาพูดเรื่องนี้เราฟังได้นะแต่เราก็เฉยๆเราไม่เถียงนะ เพราะมันก็คงเป็นความเชื่อของเขาหรือเป็นประสบาการณ์ที่เขาได้ประสบพบเห็นมาและก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะท่านสนับสนุนให้กลัดมาดูตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองปล่อยวางนะความทุกข์ได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นความคิดปรุงแต่งได้งั้นอันนี้เป็นเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะของการที่เรามาบวชก็ดี มาศึกษาปฏิบัติก็ดีนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนายกับทุกท่านได้พิจารณาตามที่เห็นสมควรเหมาะสมนะแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองนะ阿拉คิดว่าวันนี้ก็คงจะพูดมาหลายเรื่องนะก็โดยสรุปแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยนะมาใช้ชีวิตแห่งความรู้สึกตัว นาะอย่าไปใช้ชีวิตแห่งความไม่รู้สึกตัวที่เราเคยชินเคยเป็นมานะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะกับการที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตแห่งนีนะ้เพื่อที่เราจะได้กลับคืนสู่ความเป็นปกตินะที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้ พ, พุทธศาสนานะก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ตระท้ายที่สุดนี้ก็ข อ, อใหอ้คุณพระรัตนตรนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆนะ์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนะแล้วก็ความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่จะเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจไ ด, ได้ประสบพบเห็นความเป็นปกติของใจ โดยทั่วนาทั่วนากันทุกท่านเถินเจริญพร